มีประโยชน์ในที่เราเพิ่งสาธยายมาสครู่ทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วนะย่อมนงสุขมาให้ตนฟังประโยชน์นี่แล้วนี่หลายคนก็เข้าใจว่าทำดีนะการทำดีหรือว่า ทำที่ดีนี่ถ้าปฏิแบบัติแล้วย่อมนำสุขมาให้อันนี้ก็เป็นความหมายอที่เห็นได้ชัดน ะ, ะถ้าเราทําดีก็ย่อมเกิดสุขแต่ความหมายที่มันลึกลงไปนะหรือย่าจะตีความก็ได้ว่า ธรรมะเนี่ยต้องปฏิบัติให้ดีด้วยถึงจะเกิดสุขซึ่งก็มีความหมายมีนัยยะว่าถ้าทำเนี่ยปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ทําให้เกิดสุขหรือทําให้เกิดทุกข์ธรรมะนี่มันเป็นสิ่งดีเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ดีด้วยปฏิบัติไม่ดีก็เกิดปัญหานะ ยังมีภาษิตหนึ่งเนี่ยในธรรมบทเนี่ยซึ่งบางทีเราก็ได้สวดกันนะเพราะว่ามันอยู่ในบทสมดพิเศษในหนังสือธรรมวัตรญาคาเนี่ยจับไม่ดีนะมันก็บาดมือความเป็นสมณนะเนี่ยถ้าทำไม่ถูกนะมันก็ฉุดลงนรกได้ ยาคายมันก็ไม่มีอะไรนะดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ถ้าจับไม่ดีนะมันก็ทําให้มือเป็นแผลได้แล้วความเป็นสมณะหรือความเป็นนักบวชนะอันนี้ก็รวมถึงทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยมันก็เป็นของดีนะแต่ถ้าทําไม่ถูกนี่มันก็ชุดลงนรกได้อย่างเช่นเราเป็นนักบวชแล้วก็ เกิดมานะทิฏฐิว่าฉันฉันดีฉันประเสริฐนะฉันมีศีลมากกว่าแล้วก็เกิดความคิดที่คับแคบไม่ฟังคนที่เป็นคลหัสเนี่ยเพราะถือว่าศีลต่ำกว่าศีล น, น้อยกว่านี้ หรือว่าคนที่เคร่งในศีลแล้วก็ไปเพ่งโทษผู้อื่นอ่เนี่ยอันนี้มันก็เกิดเป็นโทษขึ้นมาได้หลวงพ่อพสมัยโทษนั่นเล่าว่าเคยมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีบุญคุณต่อท่านมากคือแนะนำให้ท่านมารู้จักกับหลวงพ่อชาสมัยที่ยังเป็นเนรอยู่ กำลังหาครูบาอาจารย์เรก็พาตอนลังก็พาท่านไปหาไปกราบหลวงพ่อชาแล้ว น, นเกิดศรัทธานในหลวงพ่อชาก็เลยอยู่กับหลวงพ่อชามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พระรูปนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบจับผิดนะ อาจจะเราะท่านคิดว่าท่านเป็นคนเคร่งในวินัยก็ชอบเพ่งโทษพระรูปนั้นพระรูปนี้หาว่าไม่มีวินัยอย่างนี้อาบัติอย่างนั้นก็อาบัติจนกระทั่งพ่ะสุเมทโทนก็ละอาก็หืนห่างกันไปพระล้ว น, นตอนหลังนี้ก็ก็ศึกนะ ตอนลังก็สึกอาจจะเป็นเพราะรู้สึกว่าคืออาจจะร้อนพ้าเหลืองเพราะว่าใจท่านอาจจะคิดในถึงลบตลอดเวลาเห็นคนน้นก็ผิดนั่นก็ผิ ด, ผดแล้วก็อาจจะมีท่าทีต่อวินัยไม่ถูกต้องวินัยนี่เพราะวินัยก็มีไว้เพื่อฝึกฝนขัดเกลาตนนะ ก็กลับไปแบกเอาไว้ไปยึดติดถือมาในวินัยก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขนะก็มีภาพแบบนี้เยอะนะในชาวุธการก็มีนะจนกระทั่งบอกว่าไม่ไหวแล้ววินัยมันเยอะเหลือเกินสึกดีกว่านะเคยไปทูลผู้เจ้าผู้เจ้าก็แนะว่าถ้าปฏิบัติข้อเดียวนี้จะเอาไหมจะอยู่จะจะทำไหวไหม พระรูปน่า ก, ก็บอกไวคุยาเจ้าก็เลยว่าเนี่ยให้รักษาใจใเป็นปกติเอาไว้เอาข้อเดียวพอไอ้ร้อยหสิหรือสองอหสินี่มันสองอยิบเจดนี่มันเยอะไปเอาข้อเดียวท่านปฏิบัติก็คราวนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่พระรูปเนี่ยพระ ท, ที่แนะนำหลงพ่อสมัยทยวรู้จักกับหลวงพ่อชายท่านคงจะ ปติบัติใช้วินัยไม่ถูกต้องมันก็มันก็ยากาและก็บาดหมื่นสุดท้ายก็สึกไปวินัยนี่นะถ้าถ้าใช้ไม่เป็นนะมันก็ทำความทุกข์ทรมานมากแต่ใช้เป็นก็ทำให้ชีวิตจิตใจเจริญก้าวหน้านะแล้วก็เกิดความโปร่งโล่งเบาสบาย นะอันนี้เรียกว่ายาคาที่จับเอาไว้ไม่ดีก็บาดมือเอนื้อจมนึงความเป็นสัมมณะด้วยนะอยู่แล้วอยู่แล้วก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าคอยต้องจับผิดคนอื่นก็เลยสึกไปสึกไปก็ไม่นานก็ติดเล่านะทีแรกคงจ ะ, ะกินเล็กเล ก, เลกน้อยนะ้อย กินนิดหน่อยหน่อยตอัก็กินเหล้าจนติดแล้วก็เมาทำอะไรไม่ได้ทำงานทำกายไม่ได้เลยสุดท้ายก็กลายเป็นพวกสัมเบเล่เเทมเมาไม่มีที่ไปต้องไปอยู่วัดหลวงเจ้าว่าท่านก็สงเคราะห์ก็เห็นว่าเคยเป็นเคยเป็นพระเนี่ยแล้วก็เป็นพระที่เคร่งด้วย ก็อยู่กินข้าวก้นบาทตอนหลังก็คงจะเมาเรื่องคงจะเริ่ไม่ได้อาจจะถูกแล่าจากวัดก็ได้ก็ไปล่อนเร่ตามถนนไปเก็บขยะคุยคลองหาขยะหาอาหารจากขยะบ้างหรือไม่เอาขยะไปขายสุดท้ายก็โดนรถชนตายเนี่ยันนี้ก็เรียกว่าสวิงนะ สวิงจากคนที่เคร่งศีลกลายเป็นคนที่สำมัติเทมเมาอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติใช้ความใช้ความเป็นสมณะหรื อ, อปฏิบัติไม่ถูกต้องนะมันก็พาชีตกต่ำได้จริงๆอุตสาหบวชแล้วนะอยู่วัดแล้วก็แถมอยู่สำนักที่ดีด้วย แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเครื่องคุ้มครองนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ทำให้ชีวิตแย่ลงนะความเป็นพร่ามันก็ดีแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยอันนี้ก็รวมถึงธรรมะข้ออื่นด้วยนะทานนี่เป็นของดนะีแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็เป็นโทษนะเช่นแทนที่จะ ให้ทานเพื่อลดลักกินเหล่ก็ให้ทานเพื่อจะเอากินเหล่ก็เพิ่มปูนมากขึ้นทําบุญไม่คิดแต่จะรวยจะรวยจะรวยนะหรือว่าทําบุญก็คิดแต่ว่าจะจะอายุยืนนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะทําบุญเก้าวัดทําแบบเต็มที่เลยนะทุ่มเท แล้วบางดีคืนดีพ่อตัวเองเป็นมะเร็งตกใจแล้วก็ผิดหวังโกรธแค้นทำไมบุญไม่รักษาทำทวมาไม่คุ้มครองเกิดความกลาดเกลียวรู้สึกเหมือนกับถูกหลอกก็เอะอวยวายอยู่ตลอด หมอพยาบาลก็ระอาเพราะเต็มไปด้วยความคับแค้นขับแค้นเพราะผิดหวังว่าทำไมนึกว่าบุญนี่จะช่วยทำให้อายุยืนนะทำบุญทุ่มเทไปมากกลับเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ตายไม่สงบการทำบุญนี่ถ้าถ้าทำแล้ววางใจเป็นนะมันก็ทำให้ใจสงบนะ หลายคนนี่ เ, นเวลาเป็นมะเล็งแล้วเขาคิดถึงบุญที่เขาทำเขาก็ใจเขาก็สงบอันนี้เคยเล่ามาหลายหลายครั้งแล้วบุญย้อนทําให้เกิดสุขแม้กระทั่งในเวลาสิ้นชีวิตถึงแม้ไม่สิ้นชีวิตเวลาเจ็บป่วยนึกถึงบุญก็จิตใจก็เบิกบานอันนี้เขาก็ทําบุญด้วยใจที่กิดจะละแต่ทําบุญด้วยใจที่กิดจะเอาหรือด้วยการคาดหวังไม่ถูกต้องคาดหวังว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันก็ มันผิดอยู่แล้วล่วนะทำบุญด้วยท่าทีหรือด้วยความเข้าใจที่ผิดนะมันก็เป็นโทษนะคนที่เขาไม่ทำบุญเลยหรือคนที่ไม่ให้ทานแต่ทุ่มเทแต่เวลาเป็นเรนก็ใจสงบได้ก็มีเยอะถ้านะตรงข้ามมาพอนำบุญแล้วให้ทานเยอะๆมา ก, มากแต่ว่าตั้งใจไว้ผิดนะพอป่วยขึ้นมามันสวิงเลยนะ สวิงคือนอกจากโกรธอนอกจากผิดหวังในบุญแล้วในการให้ทานแล้วยังโกรธมีความโกรธมีความขับแคฉนใจเลยซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองอันนี้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติไม่ถูกนะทำแม้จะดีแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีนะมันก็ไม่ทาให้เกิดสุขทำให้เกิดโทษ สิงก็เหมืนกันภาวนาก็เป็นการภาวนานี่ก็ดีนะทําให้คนพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าทาให้เป็นนี่ก็ทําให้บานะ้าหรือทําให้ทําให้กายพวกผิดเพี้ยนขึ้นมาเช่นเห็นสีเห็นแสงหรือว่าทายใจคนได้ก็พอมีลาบสักการะเข้ามาก็กลายเป็นพวกที่หลงติดในลาบสักการะ กลายเป็นหรือแม่ก็กลายเป็นผู้ที่ประจบประแจงญาติโยมอย่างอย่างเน้นคำเนี่ยนะซึ่งตอนหลังก็รู้ๆกันก็อาจจะมีอาจจะได้คุณวิเศษบางอย่างนะจากการภาวนาแต่ว่า พอไปหลงติดกับไอ้คุณวิเศษนั้ น, นาอาจจะมีอภินยาบ้างาแล้วก็เพลินแล้วก็หลงตัวลืมตนโอ้อวดญาติโยมก็เอาลากสักการะมาให้เพราะความหลงผิดเพื่อเป็นอรหันต์ก็เลยไปใหญ่เลยอันนี้ก็ฉุดไปหลงนรกเหมือนกันนะกรณีอย่างหนึ่งคำหรือว่าภาอยอีกหลายโลก นยาขาที่ปฏิบัติไม่ดีเนี่ยมันก็พาไปลงนรกได้เพราะว่าพอเคร่งแล้วก็มีลาบสักการะตามมาูเจ้าเคยบอกไว้แล้วว่าเนี่ยผลแห่งความดีนะย่อมเป็นพิดแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาผลแห่งความดีก็ดีทั้งนั้นนะความดีก็ยังให้ทําให้เกิดผลดีขึ้นมาผลดีนั่นเเป็นเช่นลาบสักการะแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็ กลายเป็นพิษได้เหมือนกันหรืออย่างตัวอย่างล่าสุดเนี่ยนะการยึดมั่นถือมั่นในความดีถ้าไปยึดมั่นมากนี่ก็ทำให้เกิดโทษอย่างกรณีน็อตเนี่ยกราบรดกูนี่อันนี้คนไม่ค่อยมองเท่าไหร่นะคนแง่มุมนี้คนไม่ค่อยมองคือว่าที่เขา เขาลากคอคนที่ชื่อบอยเนี่ยแล้วก็มาต่อยมาตบหน้าเนี่ยต่อหน้าสาธาุชนเนี่ยก็ว่าเขาเกลียดนะเกลียดคนที่ชนแล้วหนีเขาต้องการสั่งสอนให้คนที่ชนแล้วหนีมันมันเป็นคนที่แย่มากมันน่าเกลียดมันต้องได้รับ การสั่งสอนก็เลยต่อยต่อยไปก็บอกทําไมทําไมหนีทําไมหนีทําไมชนแล้วหนีนไอ้นไเนี่ยหนีทำไมหนีทําไมตะโกเนี่ยดังลั่นเลยพ่อเขาสูว่าการชนแล้วหนีนี่มันเป็นสี่ที่น่าเกลียดมากเขาเป็นคนที่มันก็ว่าต้องการพิทักษคุณธรรมเขาต้องการสั่งสอนคนที่ทํา ทำไม่ดีทำชั่วเนี่ยมันจะได้ทำดี้าบ้างแต่นี่เขากลับทำชั่วซะเองแล้วก็ทำชั่วยิ่งกว่าคนที่เขากําลังลงโทษเลยซ้ำนะอยาคนที่บอยเนี่ยเขาแค่ทำให้ลดนะทำให้กระจกทาให้รถมันเสียหายไยท้ายแตกนะก็แค่ทำลายทรัพย์สินอตนะี้ นอนนี่เล่นทำ้ายร่างกา ย, ยอันนี้เขาทำด้วยความต้องการจะกำราบคนชั่วนะต้องการจะพิทักษความดนะีซึ่งดีนะแต่ว่าพอมันปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นมากมก็เลยกลายเป็นชั่วไปเลยแบบนี้มีเยอะมากนะคนที่ ต้องการกำหลับคนชั่วยนะแต่ลงท้ายตัวเองก็ชั่วยตัวเองเช่นไปกระทืบไปกระทืบพวกเมายานะที่จับคนเป็นตัวเป็กนกะันพอตำรวจจับได้นี่ประชาชนที่ลุมแหกก็ไปลงกระทืบหรือไปลุงกระทืบพวกผู้ต้องหาค่าคนะ่มขืนซึ่งตำรวจพาไปทำแผนประเก็บประกอบ ค, คำรับ ส, รสารภาพในจุดเกิดเหตุนเนี่ย คนก็รวมไปกระทืบนะีเยกาเห็นว่ามันชั่วต้องสั่งสอนนะคนเหล่านี้ก็คิดว่าตัวเองทำดีนะหรือว่าต้องการพิทักความดีแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกไนงะยึดมั่นถือมั่นมากก็เลยทำชั่วซะเองคือไม่ดูใจตัวเองนะไม่ดูใจไว้ตอนนั้นนี่มัน มันมีความโกรธความเกลียดนะให้ความยึดมันมนนดม่นถือมั่นเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความดีมันก็สามารถจะนำไปสู่ความโกรธเกลียดได้อย่างรุนแรงยึดมั่นมากเท่าไหร่ก็โกรธเกลียดรุนแรงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องระวังสิ่งที่ถูนี่ก็ต้องไม่ใช่ว่า ทำแล้วมันจะถูกเสมอไปนะมันมีคาพูดว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะทำผิดในสิ่งที่ถูกเนะี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับบทที่เราสอนเนี่ยนะทำที่ปฏิบัติไม่ดีนะย่อมทำให้เกิดทุกข์นะอันนี้ถ้าเราตีความกลับนะปฏิบัติผิดในสิ่งที่ถูกนี่เป็นกันเยอะนะ ปฏิบัติผิดในสิ่งที่ถูกใครทำไม่ดีนะใครทำไม่ถูกนะก็อยากจะอยากจะจัดการกับเขาเพื่อทำให้มันถูกแต่การที่ตัวเองนี้ไม่ดูใจไปคิดตจะไปสั่งสอนเขาแต่ลืมดูใจตัวเองมันก็เลยกลายเป็นทำชั่วนอกกับเขาซนะอีกน หรือทําผิดนะก็เข้าสิให้คนที่อยากจะเห็นความถูกต้องในสังคมหรือว่าเห็นความถูกต้องในหรือแม้กระทั่งในวัดเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วะถือว่าทํากิจทําหน้าที่ต้องการทําให้เกิดความถูกต้องขึ้นในชุมชนในในวัดในหมู่บ้านในสังคม แต่ก็ต้องทำให้มันถูกด้วยซึ่งก็ต้องอาศัยการดูใจตัวเองด้วยถ้าไม่ดูใจตัวเองนี่ไอ้ไอที่ทำมันกลายเป็นผิดไปหมดเลยแม้ว่าอยากจะทำถูกก็ตามทำผิดในสิ่งที่ถูกนะทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นนะ กับใครหรือกับสถานที่ใดก็ตามนี่ต้องทําแจงเราให้ถูกด้วยก็คือดูใจของเราเห็นเห็นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนะเห็นตรงนี้คือเห็นด้วยสตินะเห็นด้วยสติมีสติรู้ทันอารมณ์ว่าตอนนี้มันโกรธแล้วนะมันกำลังจากการที่ต้องการสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นมันกําลังกลายเป็นการอยากจะลงโทษ ดยอำนาจความโกรธความเกลียดมันเส้นแบ่งนี่มันมันมันต่างกันนิดเดียวนะอยากจะทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นเนะี่ยแต่ลงท้ายไปไปเล่นงานเขาด้วยความโกรธความเกลียดนะอย่างน็อตกาบรถกูกเนี่ยเห็นได้ชัดแต่ก็คนก็ไม่ได้มองนะคนจะไปมองแง่อื่นใช่ไหมมองว่าเนี่ยไอ้นี่มันชั่วไอ้น็อต น, นี่มันชั่ว รดอไม่มองว้มันหวงลดมากอันนั้นก็จริงนะแต่พูดถึงความช่วยนี่ก็ทุกคนก็มีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะออกมาในรูปไหนบางทีมันก็พอไม่มีสตินะมันก็ออกมาในรูปของการปกป้องความดีอย่างกรณีขกตุลลางเป็นกันนะที่ไปรวมกระทืบนะักศึกษาลาคอมาแขนคอเนี่ยเรียกว่า ต้องการพิทักษ์รักษาชาติสากลศัรตร์เนะี่ยแต่ว่าไม่ดูใจตัวเองนะแทนที่จะปกป้องศาสนากลายเป็นทำลายศาสนาหนักขึ้นหรือทำให้ศาสนามัวหมองทำให้ชาติย่ำแย่ต้องระวังมากนะทำผิดในสิ่งที่ถูกมีทำผิดในสิ่งที่ถูกแล้วมันก็มีทำถูกในสิ่งที่ผิดน ะ, ะทาถูกในสิ่งที่ผิดไหมเขาไงเช่น งมงายเนี่ยงมงายเรื่องผ e áng, ang, ีสางนางไม้นะจะทำอะไรก็ดูเลิกดูยามหรือว่าจะทำอะไรก็ต้องดูว่ า, าวันนี้เป็นสุีมงคลไหมอันนี้เรื่องงมงายแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่ถูกขึ้นมาได้นะเช่นงบเชื่อในเรื่องผ e áng, ีสางเทวดาแต่ว่าเพราะความกลัวผ e áng, ีสางเทวดาก็เลยไม่กล้าตัดไม้ไม่กล้าทำลายป่า หลายชาวบ้านอยม่มานนี่เขาก็รักษาป่านี่ไม่ใช่ว่าเหว่าป่ามันมีคุณประโยชน์ทำให้ดินดินฟ้าอากาศได้สมดุล น, นะหรือว่าไม่ได้รักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เพราะกลัวนะกลัวผีสางนางไม้ก็เลยไม่การตัดต้นไม้นะอะนี่ก็ดีนะรักษาป่าไว้ได้อย่ามีคาพูดวาเนี่ยผีนะับ กับพระช่วยรักษา ป, ป่าท่านพ่อหลีท่างเคยเล่าหลีธรรมธโรว่ามีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งในกอก็ชวนขอเนี่ยนะไปฟังธรรมพอเป็นวันพระในก็ไม่ไม่สนใจธรรมะไม่สนใจเรื่องพระ ว, วาราม่อกจะไป จะไปจับปลา ก, ก็ลบเราข อ, อางไงขอก็ไม่สนใจขอก็จะไปจับปลาเนั่ยแหละก็เลยไปฟังธรรมะคนเดียวฟังพระเทศระหว่างที่ฟังพระเทศกอนี่ก็นึกถึงเพื่อนว่าทำไมว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะจับปลาได้มากน้อยหรือยัง พอนึกไปนึกไปก็นึกถึงปลาที่จับปลาช่อนมั่งปลาดุกมั่งแล้วก็เลยเพลอนึกถึงอาหารที่เพื่อนจะนึกถึงแกงที่เพื่อนจะทำนะแกงปลาดุกปลาช่อนหรือแพสซาอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้น น, นะฟังทําอยู่แต่ใจนี่มันไม่ได้เป็นบุญเลยก็ใจนึกถึงเรื่องปลาที่เพื่อนจะจับ เกิดเกิดความกระหายนะอยากจะกินปลาที่เพื่อนนะจับเอามาปรุงส่วนคอเนี่ยนะจับปลาอยู่ก็จริงนะแต่ว่าก็นึกถึงเพื่อนที่กำลังฟังธรรมว่าเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะได้ฟังเทศฟังธรรมไปถึงไหนแล้ว ระหว่างที่มีระหว่างที่จับปลาบาันทีก็ได้ยินเสียงกลองจากวัดเสียงกลองสาธุการได้ยินเสียงกลองทีแรแกก็สาธุสาธุวันนั้นเนี่ยจับปลาไม่ได้เลยนะเพราะอํานาจของบุญนะใจใจก็เป็นบุญนะจับปลาก็จริงนะผิดศีลด้วนะนะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นบุญเพราะใจนึกถึง นึกถึงการเทศการาฟังธรรมขอเนี่ยจับปลาจะได้บุญส่วนกนี่ฟังเทศฟังธรรมแต่ว่าใจนึ่นึกถึงเพื่อนที่จับปลานึกถึงอาหารนึกถึงปลาที่เพื่อนจะจับได้นี่ไม่ได้บุญนะนะคนนึงจับปลาจะได้บุญไอ้คนหนึ่งฟังเทศแต่ไม่ได้บุญเนี่ยนี่เพราะว่าคนหนึ่งเนี่ย ทำผิดในสิ่งที่ถูกนะอีกคนหนึ่งทำถูกในสิ่งที่ผิดนะจับปลาแต่ดันฟังธรรมนะหรือสนหรือว่าใจในีไปห่วงในเรื่องการแสดงธรรมการเทศนันนี่มันก็ชี้เห็นนะว่าคนเรานี่มันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พระเจ้าตรัสนะทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะ มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจคนหนึ่งยกมือสร้างจังหวะนะหรือว่านั่งสมาธิแต่ว่าใจนี่มันนะล่องลอยบางทีก็ไปเพ่งโทษคนนั่นคนนี้ว่าไม่ปฏิบัตนะิอันนี้ไม่ได้บุญ น, นะอีกคนหนึ่งนะอาจจะกำลังนะ นั่งอาจจะกลังนอนอยู่นะแต่ว่าก็มีสติรู้ตัวเห็นความคิดที่เกิดขึ้นรู้จักวางความคิดนั้นลงอันนี้กลับได้ได้บุญมากกว่ามีความโลภเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้จักวางคนหนึ่งไปจาริกนะจาริกนะแต่ว่า ก็นึกโกรธนึกเกลียดนะหรือว่าอาจจะนึกเกลียดลูปนะที่ไม่สนใจพ่อแม่เอาแต่เที่อสนุกสนานไม่สนใจธรรมะจาลิกไปเหนื่อยไปแต่ใจไม่ได้บุญจนะได้บุญน้อยนะเพราะว่าใจมันไม่ได้เป็นกุศล ก็เมือนในกอเนี่ยบางทีในกออาจจะไม่ได้คิดถึงปลาที่ขอจําอาจจะนึกนึกโกรธขอว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ได้นะตัวเองนั่งฟังพระเทศแต่ใจเนี่ยนึกกลดา่าในขอเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมวันพระยังจับปลาอย่างนี้ก็ได้บุญนะแต่ได้น้อยหรือไม่ได้เลย ส่วนในขอนที่จับปลานี่แต่ว่าใจก็นึกถึงพระที่เสดหรือว่าอนุโมทนาสาธุการเวลาได้ยินเสียงกรองจากวัดนี่ได้บุญนั่นจะไปดูที่การกระทำบางทีก็ไม่ได้นะมันต้องดูที่ใจด้วยว่าใจก็นั้นเป็นอย่างไรนะทำบุญแต่ว่าใจ ไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวมันก็หรือว่าทำด้วยความหลงมันก็เป็นโทษเหมือนกันไม่ต้องหมั่นดูใจของเราหนะันหันมาเวลาทำอะไรก็ต้องมาดูใจของเราให้มีสติเสมอนะเห็นความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะใจมันไม่ปกติเาก็กลับ ทำให้มันเป็นถูกซะในะจมันมีความโลภความหลงขณะที่ทำบุญนะก็รู้ตัวเปลี่ยนจากโลภให้กลายเป็นละซะมุนะ่งที่จะขัดเกลอกิเลสความตนหนีที่เหนียวให้มันหมดไปเพนะื่อนเชื่อวความถูกต้องแล้วนี่มันก็อย่าประมาทนะ เพราะว่าถ้าทําไม่ถูกนี่มันก็กลายเป็นโทษสิ่งที่ดีถ้าทําไม่ถูกก็กลายเป็นอันตรายได้เหมือนกันมันจึงมีคำพูดว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมปฏิบัติถูกต้องตามธรรมนั้น อันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาต้องมีความเข้าใจต้องเห็นชัดว่าทมนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรอันนี้เห็นเนี่ยก็เห็นด้วยปัญญาเห็นว่าทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเช่นสันโดษเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เราอยู่ง่ายและเพื่อเราจะได้มีเวลา ไปทำความดีไม่เอาไม่มวัวแต่ทำมาหากินหรือว่ามวัวแต่เสพสุขนะให้คนที่ทำให้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะทำความดีไม่มีเวลาที่จะไปทำประโยชน์ส่วนรวมไม่มีเวลาที่จะไปทำพลาปฏิบัติภาวนานะอันนี้เรามีความเห็นมีความเห็น ที่ชัดนะในเรื่องของวัตถุประสงค์เห็นนี่มันต้องใช้ความคิดนะมันเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นคือเห็นด้วยการใช้ความคิดพิจารณาอันนี้หล่นความเห็นถูกด้วยสมาทิถีนะ่เนี่ยเห็นถูกเนี่ยเห็นว่ากรรมเนี่ยกรรมดีได้ดีทำกรรมทความดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วเนี่ยอันนี้มันก็ใช้ การพิจารณาไต่ตรองนะเป็นความเห็นนะที่ใช้เหตุใช้ผลนำมาซึ่งข้อสรุปเห็นแบบนี้เนี่ยเห็นด้วยความคิดนะหรือใช้ความคิดในการพิจารณาอันนี้สลหรับคนทั่วไปนะสัมมทิธิเนี่ย มันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ความจริงนะแต่มันเข้าใกล้ความจริงแล้วแต่ถ้าเห็นด้วยสตินี่ยมันเห็นเห็นความจริงแล้วหรือเห็นของจริงสติเห็นความคิดที่เกิดขึ้นเห็นความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นพอเห็นแล้วมันวางอันนี้เห็นด้วยสติเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเห็นทมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งต้องทำมากๆที่เราสวดกันบ่อยๆเนี่ย เมื่อใดบุคคลเห็นเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนงันค่อนแคลน ข, นขอควรพ่ะปู่หลักการเช่นนั้นไว้อันนี้เราก็ได้ยินบ่อยเพราะเราสาธยายไปประจำเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง น, นี่คือเห็นด้วยสติเบื้องต้นเห็นด้วยสติเห็นธรรมธรรมในที่นี่คือ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ตามเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนก็เกิดปัญญาขึ้นอย่างที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสัางขารน้งปวงไม่เที่ยงเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารั้งปวงเปนน็นทุกข์เมื่อใดบุคคลเด้วยปัญญาว่าทำน้ำพวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นบุคคลย่อมเหนื่อยได้ในสิ่งที่เป็นทุกที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางพันิพาณเป็นธรรมหมดจด เห็นด้วยปัญญาแล้วมางๆก็เห็นด้วยความคิดก่อนนะทําให้เกิดสมาธิิฐเช่นเห็นว่าเห็นไต่ต่อนแล้วเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีพิจารณาแล้วเห็นว่าการเจริญสตินี่มันช่วยดับทุกข์แก้ทุกข์ได้ก็นํามาสู่การเจริญสติเจริญสติก็เห็นเห็นความคิดต่างๆเห็นอย่างที่หลวงพ่อวิเคราะห์ว่าเห็นไม่เข้าไปเป็น เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นของจริงเห็นของจริงคือเห็นกายและใจเห็นกายเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นทุกเห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ความคิดปรากฏเห็นแล้วไม่ขอบเขเป็นเห็นแล้วมันก็วางเห็นบ่อยบ่อยนอกจากใจสงบพอวางความคิดอารมณ์ได้แล้วก็เห็นความจริงจากเห็นของจริงก็เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนปัญญาก็เกิด เห็นแจ่มชัดมันก็หลุดพ้นได้เในบทสวดมนต์นี่เรามีคําว่าเห็นอยู่บ่อยๆเป็นคํากริยาที่ปรากฏมากที่สุดในบทสวดพิเศษคือคําว่าเห็นในอริ ย, รยทรรศน์เนี่ก็มีศรัทธาเสียความเรื่องสายและความเห็นธรรมอันนี้ก็เห็นทั้งที่แล้วก็เห็นด้วยการใช้ความคิดก่อน หาหนังสือแล้วก็เห็นว่าเออธรรมะนี่มันดีนะมังมีองแปดเนี่ยใช่แน่ริษัทสนี่จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อันนี้ใช้ความคิดในการเห็นเรียกว่าความเห็นหรือความคิดเห็นนำไปสู่การปฏิบัติก็เจรสติก็เห็นเหมือนกันเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในใน้หน้ า, น า, นาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจม่มแจ้งเห็น เห็นไปเรื่อยๆก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเห็นทานปุริยรัตตาอันนี้เห็นด้วยปัญญาบางทีเราไม่ทสังเกตนะว่าในบทธรรมส่บนนี้เขาบอกเห็นเยอะมากหลวงพ่อมเห็นแล้วก็เน้นเห็นอย่าเข้าไปเป็นพิจารณาดีธีเนี่ยนะไอความวิทย์เห็นนี่มันมันยังไม่ใช่เห็นความจริงนะมันแค่คิดเอาแต่เห็น เห็นด้วยสตินี่คือเห็นของจริงแล้วแล้วพอเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งก็เรว่าเห็นด้วยปัญญาอันนี้แหละมันจะเป็นบาทเป็นฐานทำให้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องได้ไม่ใช่ทำผิดในสิ่งที่ถูกนะท่า น, น้ก็พูดกันทา น, นี้คอแล้วอ่ะกลับ